จเจริญพรทุกท่านมีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยฟังก็จะฟังยากนิดหนึ่งนะครั้งแรกๆจะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ถ้าอดทนฟังซ้ําแล้วซ้ํำอีกในเวลาไม่นานก็จะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรอีกต่อไปเหลือแต่ว่าต้องอดทน ไม่ยากหรอกแต่ต้องทนทนอะไรทนดูซ้าแล้วซ้าอีกดูกายดูใจดูซ้าแล้วซ้าอีกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทนได้ไหมดูของอย่างเดิมมันยากตรงนี้แหละทำไมเราต้องดูซ้าแล้วซ้าอีกดูกายดูใจเพราะใจเรามันยังไม่เข้าใจความจริงได้เห็นครั้งสองครั้งยังไม่เข้าใจก็เห็นหลายๆครั้ง แต่บางคนบารมีมากแล้วเห็นกายเห็นใจทำงานในเวลาไม่นานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเนี่ยก็เข้าใจถ้าบารมีน้อยหน่อยอาจจะถึงเจ็ดปีแต่เราอย่าไปท้อถอยนะเจ็ดปีเราไม่ใช่ว่ายากลำบากอะไรการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเรานเป็นอันเดียวกัน มันไม่ใช่ว่าเราต้องทำอะไรที่แปลกแยกออกไปจากชีวิตปกติก็เราธรรมดานี่เองกินข้าวก็ปฏิบัติได้อาบน้ำก็ปฏิบัติได้นั่งรถหรือจะขับถ่ายทำปฏิบัติได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติได้ทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าต้องหลบไปอยู่ในป่าวันวันอยู่ในถ้าหลับหูหลับตาไม่เจอใครหลายๆปีแล้วบรรลุ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามว่าเป็นจริงไม่จาเป็นต้องหนีโลกอยู่กับโลกนี่แหละเพราะอะไรร่างกายจิตใจของเราอยู่ตรงไหนมันก็มีทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะดูหรือไม่ดูถ้าเราเข้าป่านะไปนั่งในถ้ำปิดหูปิดตาทําจิตให้ว่างเลยมีร่างกายก็เหมือนไม่มี ยุงกัดหรืองูมากัดอะไรก็ไม่รู้สึกเลยเสือเอาไปกินยังไม่รู้เลยก็ไม่ได้ว่าจะได้เรียนรู้ไกลยหรือนั่งสมาธิจนกระทั่ทงหมดความรู้สึกความรู้สึกดับไปแล้วก็ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เห็นความรู้สึกแสดงใจลักษ์เกิดดับให้ดูแต่จริงร่างกายจิตใจของเรานี่แหละคือครูสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้หรอก นะเรามีกายอยู่ที่ไหนนะถ้าเรามีสติอยู่มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่กายก็สอนธรรมะเราเรามีจิตใจอยู่ที่ไหนมันก็มีจิตใจนะยังเว้นเข้าฌานบางชนิดนะจิตดับาบางคนนั่งสมาธิจิตดับเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งไม่มีความรู้สึกเนึกคิดเลยเรียกว่าพรมลูกฟักนะเวลาจะทําให้เป็นพรมลูกฟักนะเขาจะใช้วิธีทรมานตัวเองมากๆเลย เล่นเดินโจรกลมหามรุ่งหามค่ำนะทรมานให้เต็มเหนียวเลยจิตมันทนความทุกข์ไม่ไหวมันหลบมันดับความรู้สึกลงไปนะเขาใช้วิธีนี้กันส่วนใหญ่พอหมดความรู้สึกไปเขาคิดว่าเป็นมรรคผลนิพพานเดี๋ยวพอกลับมามีความรู้สึกกิเลส ก, ก็มาใหม่อีกนะเพราะยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยงั้นเรามีกายมีใจนะเราอย่าไปล้าเลยอย่าไปลืมมันคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆ อยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติได้ในแบบเดียวกันนะในลักษณะเดียวกันมีกายมีใจอยู่แต่อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยมันคือความจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าจิตของเราในขณะนั้นเป็นอย่างไรถ้าจิตของเรามีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจิตเนี่ยมันมองเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เราปฏิบัติอยู่ ถ้ามีร่างกายมีจิตใจนะก็เพ่งให้นิ่งเลยมีกายก็ไม่รู้สึกมีใจก็นิ่งนิ่งนิ่งลูกเดียวนะก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติถึงยันนั่งสมาธิจนโตรุ่งนะก็ไม่ใช่การปฏิบัติแบบพระพุทธศาสนาเป็นแบบฤาษีชีไลาไปการจะปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานะในขั้นสูงนะเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทามิปัสสนากรรมฐาน คือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของจิตใจเราจะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจได้จิตเราต้องไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านด้านที่หนึ่งะคือหลงไปในอารมณ์ทางโลกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรพวกนี้เราโมวแต่รู้อะไรรู้รูปที่ตาเห็นรู้เสียงที่หูได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส สิ่งภายนอกทั้งหลายที่เราไปรู้หรือรู้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดนะมันก็ไม่ใช่ของจริงอะไรเป็นความคิดเท่านั้นเหมือนฝันไปเนี่ยคนทั่วๆไปมันจะรู้แต่สิ่งเหล่านี้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสของภายนอกไม่สามารถรู้กายไม่สามารถรู้ใจได้หรือว่าอยู่ดีๆไม่มีอะไรมากระทบแล้วก็นั่งคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เวลาที่เราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องราวที่คิด แต่ว่าเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของคนที่จะทำํำวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็คือการลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจคนในโลกเนี่ยที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานอย่างเข้มงวดนะ่ะไม่เคยรู้สึกตัวจิตใจจะอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตั้งแต่ตื่นเลยนะตั้งแต่ตื่นหลับไปก็ฝันต่ออีก ทั้งวันน่นไม่เคยอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่แต่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูนะว่าใจเราเนี่ยมันคิดตลอดเวลานะวิธีที่จะดูง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเลยหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดนะห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะอา้าวเริ่มคิดไหมบาคนรีบคิดอย่าคิดฟุดดโธุโธ แล้วบอกไม่ได้คิดคิดพุดโธนั่นแหละก็ยังคิดอยู่ดีแหละรีบหลบเข้าหาพุดโถไว้ก่อนคิดพุดโธก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดสังเกตไม่ใจมันคิดได้เองลองดูอีกดู๋ยิมันคิดได้เองจริงไหมดูออกอย่างว่าใจมันคิดเป็นยังไงใจที่หนีไิคิดนะเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติของใจมันคิดทั้งวัน สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายใจก็หนีไปคิดแบบเนี้ยเวลาที่เราหนีไปคิดนะเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่เรามีร่างกายเราก็ลืมเวลามีใจจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชัว่วเราก็ลืมเราไม่เห็นหรอกเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะคนโบราณเรียกว่าใจลอยนะรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยนะยุงมากัดก็ไม่รู้สึกใช่ไหมยุงมากัดจนกระทั่งยุงอ้วนตัวกลมบินไม่ไหวแล้ว เห็นมันตกเนี่ยอุ้ยค่อยจะคันขึ้นมาน <Yeah. S 1> เวลาที่เรามีร่างกายแล้วเราก็ลืมมีจิตใจแล้วเราก็ลืมในขณะนั้นไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าการเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาหรือการทํำมิปัสสนานี่ต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าใจลอยซะแล้วนะมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมไม่สามารถจะเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะกายกับใจมันหายไป เคยรู้สึกไหมบางทีเรานั่งอ่านหนังสือนะมันเหมือนเราหายไปจากโลกเลยนะเราไปอยู่ในเรื่องราวของหนังสืออ่านหนังสือที่ชอบเลยนะหรือสนใจเวลาดูบอลเวลาดูบอล น, นักบอลวิ่งทางไหนรู้หมดเลยเต้นแรงเต้นกาเชียร์อยู่หน้าจอโทรทัศน์เคยเห็นไหมเราเคยเห็นคนเชียร์มวยไหมดูทีวีนะักเชียร์ใหญ่เลยแล้สอนใหญ่เลยเอาชคตรงนั้นสี่โชคนี่เขาไม่ได้ถ่ายทอดเสียงเราไปให้นักมวยฟังสักหน่อยใช่ไหม เราก็อยาอุตส่าห์เฉียดเอาเลยเตะเลยนะอ ย, อ, ยอย่าให้แขนตกแนละ้วอะไรสอนใหญ่เลยไม่บาบบแปลกมากใกล้ๆะทําไมทําอย่างนั้นมันลืมตัวเองลืมตัวเองนะกร่างกายของตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตใจของตัวเองกําลังเพลิดเพลิน อ, อยู่ก็ไม่รู้นะมันหลงหลงลืมตัวเองงั้นพวกเราต้องฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ภาษาไทยโบราณเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคำ ว, ว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือสภาวะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเวลาที่จิตใจอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวนะจิตจะอยู่ตั้งมั่นจิตมีความสุขมีความสงบนะมีความสุขชลยขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนั่งสมาธิให้จิตเข้าฌานอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวขึ้นมาความสุขก็ผุดขึ้นมาแล้วแล้วเราพยายามฝึกจิตใจนะอย่าไปให้ใจลอย ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเพราะถ้าเราลืมตัวแล้วไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนานั้นเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะทุกวันต้องซ้อมนะเพราะว่าปกติจิตใจของเราเนี่ยมันเคยชินที่จะลืมตัวเองตื่นนอนมาเราก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นนะคิดถึงสิ่งอื่น ตื่นนอนมาคิดถึงตัวเองไหมโอ้วันนี้แก่ลงไปอีกวันแล้วนชีวิตวันนี้จะรอดถึงตอนเย็นไหมไม่ค่อยคิดหรอกนะตื่นนอนมาแล้วก็คิดเลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทอขี้เกียดไปทํางานใจแห้งแล้งวันนี้วันอะไรวันอังคารยังขี้เกียจอยู่วันพุธน่เบื่อสุดเซ็งเลยวันพฤหัสเนะโอ้เริ่มมีความสุขแล้วคิดถึงวันพฤหัสมีความสุขแล้ว คิดถึงวันศุกร์ว่านึกได้วันนี้วันศุกร์นะใจก็ดีกระดาดีใจะเป็นไหมพวกขี้เกียจทํางานจะรู้สึกอย่างนั้นนะเย็นวันศุกร์บ่ายวันศุกร์กับบ่ายวันอาทิตย์อันไหนมีความสุขกว่ากันบ่ายวันศุกร์ใช่ไหมยังต้องทํางานแต่มีความสุขบ่ายวันอาทิตย์ยังไม่ได้ทํางานเลยคิดถึงอนาคตแล้วอ๋อผู้นี้ต้องไปทํางานอีกและขี้เกียจ ใ, ใจเรานะหลงตลอดเวลานะหลงคนในโลกเนี่ยไม่รู้สึกกับปัจจุบันหลงไปอดีตหลงไปอนาคตตลอดเวลาพยายามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะตื่นนอนมาเห็นร่างกายมันนอ น, นอยู่ท่าไหนก็รู้สึกร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกใครเคยเห็นร่างกายตอนตื่นนอนรู้ว่าหยายใจออกหรือหายใจเข้าบ้างมีไหมรู้ไหมมันหยายใจออกหรือหายใจเข้าตอนมันตื่น นี่มีตอบมาหายใจเขาที่เหลือไปดูเอาเองเขาอาจจะบอกกำลังหายใจออกก็ได้เนาะเวลาเราตื่นนอนเนี้ยร่างกายกับจิตใจใครตื่นก่อนใครตื่นก่อนรู้ไหมรู้ตื่นพร้อมกันโบเรื่องของตัวเองไม่รู้เลยนะรู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องสิ่งอื่นเยอะเลยใจมันตื่นก่อนนะ ใจมันจะขึ้นมาจากผวังนะขึ้นมาปุ๊บรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาแต่ยังแปลความรู้สึกไม่ได้นะว่ารู้สึกอะไรนะมีดีเลยไทม์อยู่นิดหนึ่งก็รู้สึกในร่างกายให้มาก็รู้สึกถึงเรื่องราวที่คิดขึ้นมาเนะี่ยพยายามฝึกนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองไปไม่งั้นเราจะลืมตัวเองทั้งวันคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยเขาลืมตัวเองวัละครั้งแต่ครั้งหนึ่งจะตลอดเวลาเลยนะ วันละครั้งเดียวหรือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกนะแต่ถ้าเราหัดทํากรรมฐานนะเราจะเห็นในใจไหลไปแล้วก็รู้สึกแวบไปลืมตัวเองแล้วเราก็รู้สึกแวบก็รู้สึกยิ่งวันหนึ่งวันนึงเราแวบได้เยอะๆนะไหลแวบแล้วรู้สึกแวบรู้สึกได้มากเท่าไหร่นะมันสะท้อนให้เห็นนะว่าฝีมือเราดีขึ้นแล้สติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเผลอสั้นลงสั้นลงถ้าเผลอสั้นลงเนี่ยจะเผลอบ่อยๆนะคนทั่วทั่วไปมันเผลอนาน เผลอตลอดเวลาที่ตื่นเพราะฉั้นเผลอครั้งเดียวในวันนึงอ่ะตื่นขึ้นมาก็เผลอเลยจนกระทั่งนอนหลับก็หลับไปแบบเผลอเอตื่นขึ้นมาแบบเผลอเถ้าตายไปนะเป็นทุกขติแน่นอนถ้าเผลอเพลินไปนะก็ไปเป็นสัตว์เดราฉานถ้าเผลอไปแล้วโทสะแทรกนะเราตายในขณะนั้นก็ตกนรกถ้าเผลอไปแล้วโลภะแทรกอยู่นะไปเป็นเปรตเป็นอะไรพวกนี้นะแล้วพยายามรู้สึกตัวนะมีชีวิต ที่มันมีคุณค่าหน่อยงั้นเรามีชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเลยเหมือนเราฝันอยู่ตลอดเวลาแทนที่เราจะตื่นขึ้นมามีชีวิตยอยู่ในความฝันไม่มีคุณค่าอะไรหายใจหายใจริ้งเปล่าๆต่อไปนี้พยายามนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีชีวิตที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตเราจะมีค่ามันมีชีวิตจริงๆไม่ใช่ฝันฝัน อยู่เหมือนฝันตลอดเวลานะหาอะไรที่เป็นสาระแก่นสารในชีวิตไม่ได้เลยยิ่งทุกวันต้องฝึกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆอย่าหลงนานนะถ้ารู้สึกตัวบ่อยๆแล้วต่อไปจะทำกรรมฐานทำวิปัสสนาอะไรเนี้ยจะง่ายนะอีกอย่างหนึ่งที่พวกนักปฏิบัติจะเป็นนะก็คือการบังคับตัวเองนี่ศัตรูเบอร์สองเลย สัตว์เบอร์หนึ่งเนี่ยลืมตัวเองอันนี้เป็นทั้งหมดเลยคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยเป็นมากคนปฏิบัติจะลืมตัวเองแวบแล้วรู้สึกแล้วแวบรู้สึกคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะหลงจะลืมตัวเองแต่นักปฏิบัติเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนะคือนักบังคับตัวเองสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะมันมีสองอันอันหนึ่งก็คือลืมตัวเองอีกอันนึงก็คือบังคับตัวเองลืมตัวเองเรียกว่ากามาสุ ข, ขาริการิโยกนะย่อหย่อนไป บังคับตัวเองเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยกนะทําตัวเองให้ลําบากเอาต่อไปทุกคนนั่งสมาธิสิอลองนั่งเคยนั่งยังไงก็ทํานะนั่งเห็นไหมต้องขยับร่างกายก่อนต้องวางฟอร์มก่อนรู้สึกไหมพอวางฟอร์มทางร่างกายเสร็จนะบังคับกายได้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มบังคับใจนะทําซึมทําขลุ่มนะ มีหลายแบบยิ้มสิยิ้มหวานหานยิ้มเหมือนปีนี้ได้สามขั้นเลยออาให้หัวเราะไม่ได้ให้หัวเราะนะให้ยิ้มเอายิ้มหวานหวานแล้วรู้สึกไหมใจผ่อนคลายรู้สึกร่างกายไปด้วยใจที่ผ่อนคลายสิเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายไม่ดัดแปลงมันนะหายใจก็หายใจอยู่แล้วจิตใจก็ผ่อนคลายอยู่แล้วเรายิ้มแล้วเนี่ยยิ้มหวานหวานเราเห็นร่างกายหายใจ บางคนเห็นร่างกายหาวนะหาวไปเลยนะเห็นร่างกายพยักหน้ามลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้ า, น, า, น, า, า, ยย น, านะเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกอยูไม่ได้บังคับนี่น้าปฏิบัติเนี่ยพลาดตรงที่ว่าพอเริ่มคิดถึงการปฏิบัตินะก็เริ่มบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มต้องยืนให้ดีนะที่อื่นก็ยืนเดินไม่ได้นะต้องไปเข้าทางจงกรมก่อนนะ ถ้าไม่มีทางโจงกลมนี้ชาตินี้เดินไม่ได้แล้วควนะามจริงเดินขึ้นกระไดนะมีสติเขาเรียกเดินโจงกลมนะเดินชอปปิง้งมีสติเขาเดินโจงกลมอยู่แล้วนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะเขาเรียกเดินโจงกลมอยู่แล้วล่นะแต่เราเราติดเราเคยชินเวลาคิดถึงการปฏิบัติทีไรต้องวางฟอร์มวางฟอร์มไหมต้องวางฟอร์มตอนที่นั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่นะเห็นร่างกายมันนั่งสิ ดุกรภ ah ิกษ you know, ุทั as as can, ้งหลายเมื <hazard S 2> <so> ่อ like นั like ่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ง่ายๆแค่นี้เรู้ว่าอะไรนั่งรู้ว่าร่างกายนั่งใจของเราเป็นคนดูใครเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ใครเดินร่างกายมันเดินใครรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกอย่างนี้นะให้ร่างกายทํางานแล้วใจเป็นคนรู้หรือดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ มีราคาเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีราคาใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยใจของเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยสำคัญมากเลยใจเป็นผู้รู้เนี่ยคือใจที่ไม่เผลอไปแล้วก็ใจที่ไม่ได้เพ่งไว้เคร่งเครียดนเนี่ยคือทางสายกลางทางสายกลางก็คือใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินคําว่าพุทโธไหมศาสนาพุทธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ใจนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราต้องมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ใจที่ผู้หลงผู้คิดผูนึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่อยู่ในกลุ่มหลงใจผู้เพ่งผู้เคร่งเครียดผู้เอาเป็นเอาตายกับการปฏิบัติอันนี้สุดตรงไปข้างบังคับตัวเองนี่พวกเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกจนใจเราเข้าสู่ทางสายกลางคือใจที่เป็นผู้รู้เมื่อใจเป็นผู้รู้แล้วนี่รู้อะไรนะ เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นะรู้ชัดว่านั่งอยู่ตัวอะไรนั่งร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้เดินอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดอยู่นะก็เห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนใจเป็นคนรู้ดูกราพีสูทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวกนะ็รู้อีกใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกนะฝึกจนกระทั่งเรามีใจเป็นคนรู้ใจที่เป็นคน ร, นคนรู้คือใจที่ไม่ได้เปหลงอยู่ในโลกของความคิด ใจที่เป็นผู้รู้คือใจที่ไม่หลงอยู่กับการเพ่งนั่นเป็นใจที่รู้สึกตัวเอายิ้มหวานกันยิ้มหวานหวานยิ้มให้สวยที่สุดในชีวิตเลยนะเอาเล้วยิ้มหวานหวานบางคนยิ้มแบบน่ากลัวมากเลยนะ mm hmm. <laughs> ชีวิตนี้มีความทุกข์ลึกเกินนะี่เราสังเกตนะอย่างเวลาเรายิ้มนะใจเราคลายรู้สึกไหมใจเราผ่อนคลายนะเราใช้ใจที่ผ่อนคลายนี่แนะ มารู้สึกร่างกายมารู้สึกจิตใจรู้สึกร่างกายยังไงตอนนี้ร่างกายหายใจอยู่เราเห็นร่างกายหายใจไม่ใชเพ่งลมหายใจนะนักปฏิบัติเนี่ยมักจะพลาดชอบไปเพ่งแทนที่จะรู้ตามความเป็นจริงแนละกลับไปเพ่งออกหลวงพ่อตันเด็กฝึกอาณาปณะสติก็เ พ, เพ่งเหมือนกันเอาจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจจนทั้งลมมันดับกนะลายเป็นแสงเอาจิตจับอยู่ที่แสงต่อไปสุดท้ายก็ออกไปเชี่ยวไปเล่นข้างนอกนะ ตามแสงออกไปอยับไปดูนะรกดูสวรรค์อะไรเงี้ยไปแต่นะรกไม่ยอมไปดูกลวัวผีนะไปดูแต่สวรรค์เลยเ ง, งีนะ้ยอาใช้ไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ของดีพวกเราลองนะลองเราไปนี้เราพาวนานลองเอาสติของเราเอาจิตเราจับไว้ที่ลมหายใจสิทุกคนจับอยู่ที่ลมหายใจเอาละจํำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะจำความรู้สึก ตรงที่จิตจับกระลมหายใจไว้ถอยออกมานะบางคนจับได้เก่งที่ท่านที่หน้งข้างหน้านี้ชำนี้ชํานานนะในสมถะรถมฐานจับปุ๊บอยู่ยิม้มหวานหวานเห็นไม้มใจตอนนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันแล้รู้สึกไหมต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายหายใจดูร่างกายทั้งตัวนี่แหละเห็นไอ้ตัวนี้หายใจไม่ได้ไปจับที่ลมนะเห็นร่างกายหายใจลองดูซิจิตจะไม่เหมือนกันนะ ระหว่างจิตที่ไปจับลมหายใจกับจิตที่รู้ว่าร่างกายหายใจเนี่ยไม่เหมือนกันเราดูซิดูร่างกายหายใจมันปร่งกว่ารู้สึกไหมดูก ร, ราฟิกสูตรทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวถ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปรู้ลมหายใจนะรู้ว่าไอตัวเนี้มันหายใจนะหายใจอย่างนี้เราจะได้อะไรนะรจะได้จิตที่เป็นตัวรู้ได้จิตที่เป็นพุทธโธ เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูกายกับใจจะแยกออกจากกันถ้าแยกกายแยกใจได้ก็เป็นจุดตั้งต้นที่จะไปทำมิปัสสนาน้องตามหาบัวสอนดีมากนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันรือแยกกายแยกใจไม่ได้อย่ามาคุยอวดเราว่าทาเรื่องเจริญปัญญานะไม่ได้เจริญปัญญาหรอกงั้นเรามาหัดนะหัดหายใจเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมจ้องใส่ลมแล้วใจเป็นเครียด เห็นร่างกายหายใจไปสบายๆเออนั่นแหละรู้สึกอย่างนั้นเห็นร่างกายหายใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายมันหายใจใจเราเป็นแค่คนดูกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ที่หลวงพ่อพูดทีแรกก็คือสิ่งที่ผิดสองอันผิดอันแรกก็คือลืมกายลืมใจใจลอย จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผิดอันที่สองคือเพ่งเอาไว้บังคับตัวเองนะจะนั่งสมาธิก็ต้องวางฟอร์มบังคับกายบังคับใจนะจะดูลมหายใจก็ไปจ้องใส่ลมหายใจบังคับจิตให้นิ่งให้สงบนะอันนั้นได้แค่สมถะนะส่วนทางสายกลางเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจแค่รู้สึกใจของเราเป็นแค่คนดูสบายๆนะเอายิ้มหวานก่อนใจเคร่งเครียดเกินไปตอนนี้ ใจต้องคลายอย่างนี้นะจําไว้นะจําสภาวะที่จ <Tamam> ิตผ่อนคลายอย่างนี้แล้วรู้สึกก่ายรู้สึกใจไปด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่างนี้แหละใจที่ผ่อนคลายนี่แหละที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานสังเกตไหมมันมีความสุขมันมีความเบิกบานไม่ใช่เคร่งเครียดถ้าเป็นผู้เคร่งเครียดนะทํำวิปัสสนาไม่ได้นะใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าเบิกบานก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าไปเค้นมัน ยิ้มหวานวานสดชื่นก็เห็นร่างกายเห็นใจมันทำงานไปใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะแล้วค่อยๆหัดดูไปใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูความรู้สึกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูอย่างเวลาเรายิ้มใจเราคลายออกเรารู้ว่าใจคลายมันคลายเองเราไม่ได้สั่งให้ใจคลายเราสั่งไม่ได้เราสั่งสิ จิตจงคลายตัวให้สบายซิสั่งสิไม่ได้เห็นไหมยิ้มหวานๆก่อนคลายเองเห็นไหมหมูจะตายเลยเรื่องสมาธินะง่ายยากอะไรหรอกโอ้ยทำของง่ายให้ยากนะจริงๆแล้วกรรมฐ า, านะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยนะเราไปทําของง่ายให้ยากความยากมันอยู่ที่ว่าพอเราทําเป็นแล้วนะต้องทน ต้องทนดูแล้วดูอีกดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูกายนี่ดูทุกวันดูใจดูทุกวันวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งรู้สึกบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีความยากมันอยู่ตรงที่ต้องอดทนนี่แหละเหมือนดูหนังสือเล่มเดิมดูหนังสือเล่มเดียวกันซ้ำแล้วซ้าอีกเป็นปีเบื่อไหมเบื่อต้องอดทนหลวงปู่ ม, มั่นเคยสอนนะเหมือนทานา ก็ทำอยู่ที่เดิมทุกปีวิธีทำก็ทำอย่างเดิมอะซ้าแล้วซ้ำอีกต้องอดทนเอาจะรู้กายรู้ใจก็ไม่เผลอไปไม่บงังคับไว้นะทารู้กายด้วยใจที่สบายรู้จิตใจไปด้วยใจที่สบายๆม่เห็นจิตใจมันทำงานเดี๋ยวมันก็คลายตัวเดี๋ยวมันก็เคร่งเครียดเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเนีดูเล่นๆไปฝึกนะฝึกให้ได้ ฝึกอดทนนะอดทนไปฝึกทุกวันทุกวันนะ่าชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตจะเปลี่ยนถ้าเรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วรู้สึกยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเนะี่ยไปหาอาจารย์ใหม่ก็ได้นะไม่ว่าหรอกถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วไม่ดีขึ้นนะเราไม่มีวาสนากันนะไปเรียนอย่างอื่นนะไปเรียนโยคองโยคะอะไรก็ไปเถอะแนละ้วแต่เวรแต่กรรมเอ ทุกวันนี้นะหลวงพ่อออกไปเทศต่างจังหวัดต่างื่อทีได้นั่งรถไปแวะปั๊มน้ำมันแวะอะไรนะเห็นเห็นหน้าเรารู้ว่าฟังซีดีคนที่ฟังซีดีของหลวงพ่อนะหน้าตามไม่เหมือนมนุษย์หรอกหน้าตามมันผ่องใสนะรู้เดียวรู้ตัวจะทำอะไรมันก็รู้สึกตัวเสีเหลียวซ้ายแหลวกปว่านะไม่ใช่คนแบบคนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มี อะไรติดเนื้อติดตัวเลยลืมเนื้อลืมตัวตลอดนะไปสอนนะบางทีเขามาส่งกันบ้านเขาบอกเขอฟังซีดีมาเตือนหนึ่งแล้วเขาไม่สงสัยอะไรหรอกเขาเห็นขันมันแยกได้ก า, กายก็อยู่ส่วนกายนะสุขทุกข์ก็แยกออกไปส่วนหนึ่งความดีความชั่วก็แยกอีกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะเขาไม่ได้สงสัยอะไรนะว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงไม่จริงหลวงพ่อสอนจริงไม่จริงก็ไม่สงสัยหรอกเขามาขอบคุณเขาบองี้นะ เราดูหน้าใช้ได้ขันมันแยกจริงๆคนที่แยกขันได้นะหน้าไม่เหมือนคนปกตินะคนปกติหน้าเ <c ười> ครียดชีวิตนเครียดเขาก็เราเองแยกขันเป็นนะแต่ไปพอร่างกายมันแก่ใครมันแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะใครมันเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บใครมันตายร่างกายตายไม่ใช่เราตาย ใครมันสมหวังใครมันผิดหวังใจมันสมหวังผิดหวังไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะค่อยๆฝึกนะแล้วมันไม่ทุกข์อะความทุกข์มันค่อยน้อยลงน้อยลงนะความทุกข์สั้นลงสั้นลงชีวิตจิตใจเปลี่ยนใจเนี่ยเปิดนะใจจะเปิดใจจะกว้างแต่เดิมเนี่ใจแคบใจหงีกใจงอใจเครียดวันๆนะมีแต่ความทุกข์ท่วมเลยหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เลยนะฟัง CD ดีนะฟังแล้วฟังอีกไป มีแผ่นเดียวก็ฟังมันแผ่นเดียวแหละแต่รับรองอย่างหนึ่งว่าทุกคราวที่ฟังเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันเพราะธรรมะที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยไม่ใช่จํามาเทศนะทเทศออกมาจากใจจริงๆเลยนะแบบเรียนกันด้วยใจสู่ใจของเราเยนะลยหลวงพ่อเทธรรมะให้ด้วยใจของเราถ้าเปิดใจออกรับนะเราก็จะเห็นธรรมะแสดงตัวอยู่ในกายในใจของเราเองนี่แหละในเวลาไม่นานหรอกเราก็จะเข้าใจ คนโบราณเก่งนะคำว่าเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองนะเข้าสมอง้ก็ได้แต่จำไว้พอสมองฝอก็ลืมหมดละหรือบางคนเข้าหูเข้าหูหูมีสองหูนี่เข้าหูนี่ออกหูนี่นะอุดไว้หูหนึ่งก็ฟังไม่ชัดอีกให้มันเข้าใจเราจะเข้าใจได้ถ้ามาเราเห็นใจของเราคอยเห็นเห็นใจมันทำงานผู้ใหญ่บางทีก็คิดมากบอกให้ดูจิตดูใจ้ดูยังไงไม่เข้าใจเด็ก บอกให้เด็กดูจิตใจตัวเองก็ดูเลยไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเมื่อสองสามวันนี้มีเด็กเก้าขวบส่งกันบ้านขันมันแยกนล้วน่าดูมากเลยขันแยกได้นะก็คือจะขึ้นการเจริญปัญญาที่แท้จริงได้ละขันแยกออกไปนะเห็นกายอยู่ส่วนกายไม่ใช่ใจความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ความจำได้หมายรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งความปรุงดีปลุงชั่วอย่างโลบกรดหลงอยู่อีกส่วนหนึ่งเวลาโกรดขึ้นมานะไม่ใช่เราโกรดนะจะเห็นว่าความโกรดมันแปกปลองเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เราหรอกนะใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นแค่คนดูนะถ้าดูได้นะโอ้ไม่นานหรอกความทุกข์มันจะตกหายนะไม่จะยากเท่าที่คิดหรอกเอายิ้มหวานอีกที ทำไมต้องให้ยิ้มหวานบ่อยๆคล้ายๆเริ่มต้นใหม่ไอ้ที่ทำตะเกียะผิดอีกแล้วเห็นยิ้มให้สดชื่นนะแล้วก็เห็นร่างกายเป็นยิ้มยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มสิอา้าวทาหน้าบึง้งทําหน้าบึง้งเหมือนโกรธใครมานานๆทําหน้าบึง้งเห็นร่างกายหน้าบึ้งไหมนี่เราเห็นด้วยความรู้สึกนะเราไม่ได้เป็นเอากระจกมาส่องแล้วรู้นะเราขยักหน้าสิ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตารู้ด้วยความรู้สึกเห็นร่างกายหายใจไหมร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยดูมันหายใจดูสบายสบายแล้วเราก็รู้ทันนะใจเราสบายรู้ว่าสบายใจเราเครียดรู้ว่าเครียดสุขหรือทุกข์ก็รู้เอาดีหรือชั่วก็รู้เอาค่อยค่อยหัดรู้หัดดูไปเลย รู้ไปดูไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงในสักวันหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชัว่วคราวรู้เพื่อให้เห็นความจริงอื่นๆ อ, อ, อีกให้เห็นว่าสุขทุกความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาในรน่างกายเป็นสิ่งที่แ ป, ปรปลอมเข้ามาในจิตใจชั่วครั้งชัว่วคราวสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปทุกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไป ดูให้เห็นความจริงอื่นๆอีกนะเห็นเลยปุสลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปรลภกรดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปไม่มีอะไรที่คงทนถาวรการที่เห็นสิ่งต่างๆว่ามันมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าเห็นอนิจจ์นะเห็นอนิจจงได้ก็เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาแล้วละ่ะ หรือบางทีก็เห็นทุกข์นะทุกขังเนี่ยจะชัดอยู่ในร่างกายนะพวกเราลองหายใจที่หายใจเข้ายาวที่สุดที่จะทำได้ทุกข์ไหมเราหายใจออกให้ยาวที่สุดที่จะทำได้ทุกข์ไหมจริงจริงเนี่ยความทุกข์นะบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกเราก็เห็นว่ามีแต่ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์นะ ตอนเริ่มหายใจทุกน้อยหายใจไปนานๆทุกมากมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งอยู่ก็ทุกนะแต่นั่งเนี่ยป่าจะทุกก็นานหน่อยแต่ถ้าหายใจเนี่ยแป๊บเดียวก็เห็นทุกแล้วนั่งอยู่เดี๋ยวก็ทุกแล้วมันคันมันเมื่อยใครนั่งแล้วคันแล้วบ้างเกาไปบ้างละมีไหมเยอะเลยละแต่ไม่รู้ตัวคันแล้วก็เกาอัตโนมัตินะเกาเมื่อยก็ขยับ อย่าไปขยับมานะอัตโนมัติไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายปวดเมื่อยนี่ต่อไปนี้นะเรารู้สึกในร่างกายคันเราก็รู้สึกว่าทุกข์อีกแล้วคันนใะนแก้ทุกข์นั่งไปนานๆเมื่อยขยับนี่แก้ทุกข์เราจะเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนเรียกว่าอีธิยาบทปิดบังความทุกข์ในร่างกายนะทําให้เราไม่เห็นทุกข์แต่ถ้าดูจิตตัวใจนะดูอานิจจังนะ จะเปลี่ยนรวดเร็วความสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปชั่วมาแล้วก็ไปเปลี่ยนรวดเร็วเดี๋ยวจิตก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดเจิตมันเปลี่ยนรวดเร็วการที่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่เห็นอนิจจังการที่เห็นว่ามันเปลี่ยนเองเราสั่งไม่ได้ที่ว่าเห็นอนัตตาดูกายเนี่ยจะเห็นทุกชัดนะแล้วก็ถ้าดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาชัด ดูกายบางคนก็ดูไปที่อนัตตาได้เห็นว่าร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกพวกเราลองนั่งเอายิ้มหวานก่อนต้องยิ้มหวานเริ่มต้นด้วยการยิ้มตอนนี้นนร่วมมือในการยิ้มมากเลยนะใช้ได้ยิ้มแล้วก็รู้สึกไปร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่ใจมันอยู่ในร่างกายรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมันเหมือนอะไรอย่างหนึ่งกลวงๆนะ เมือนอะไรที่กลวงๆอย่างหนึง่งมีจิตมาอาศัยอยู่ข้างในนะเนี่ยเราจะเห็นในร่างกายเป็นแค่วัตถุร่างกายเหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยนะหรือเหมือนถุงใบนึงในพระไตรปิฎกท่านบอกเหมือนถุงหนังใบนึงะมีถุงหนังอยู่ใบนึงมาตั้งอยู่ตรงเนี้ ย, น, ย น, นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยหรือนั่งอยู่ที่พื้นเห็นไหมมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกใช่ไหมเข้าออกเข้า รู้สึกไหมถุงใบนี้กระเพื่อมไปกระเพื่อมมานะเนี่ยถ้าเราเห็นอย่นี้ักพักหนึ่งเนระาจะรู้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นอะไรที่เป็นโลรงๆนะเป็นสิ่งที่เหมือนถุงใบหนึ่งนะมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกตลอดเวลานะเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเราจะรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเห็นอนัตตาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุ เนี่ยถ้าดูกายนะก็จะดูเห็นทุกข์ได้ง่ายนะแล้วก็เห็นอนัตตาได้ง่ายแต่ดูให้เป็นนะไม่ต้องคิดคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาคิดเรียกว่าวิตกวิปัสนาปัฏนะว่าการเห็นวิบวัตแจ้งวิปัสนาก็คือเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นใจเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาร่างกายแสดงทุกขังอนัตตาชัด แสดงอนิจจังยากหน่อยใช่ไความมันจะแก่ให้เราดูได้ใช้เวลาใช่นานแต่จิตใจเนี่ยแสดงอนิจจังได้เร็วอา้าวยิ้มหวานื่อคนตั้งใจยิ้มมากใจชักไม่ผ่อนคลายแล้วไม่เท่าตะกี้ละรู้สึกไหมยิ้มสองครั้งที่ติดติดกันเนี่ยคุณภาพของจิตไม่เหมือนกันรู้สึกไหมสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ ตัวที่เห็นว่าเราบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้มันเป็นเองตัวนี้แหละเรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วหายไปทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายไปหนักอยู่ชั่วคราวหายไปตัวที่มีแล้วไม่มีเรื่องอนิจจ์นั้นดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นอนิจจ์อนัตตาง่าย ใครทำวัดเช้าบ้างใครสวดบทธรรมวัเช้ามีไหมจำบทนี้ได้ไหมรูปังอนิจจังเวทนานิจาใช่ไหมไม่มีทุกขังสังเกตไหมไม่มีรูปังทุกขังใช่หรูปังอนิจจังแล้วก็โตขึ้นไปรูปังอนัตตาเลยเนี่ยเพราะอะไรการสอนขันธ์ห้านะเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเหมาะกับคนดูจิตนะถ้าสอนเรื่องอายตนะเ น, นี่ยเหมาะกับคนดูกายอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นวัตถุใช่ไหมเ ป, เป็นรูปธปรรมมีใจอันเดียวเป็นนมามธรรมแต่ในขันห้าเนี่ยมีรูปธรรมหนึ่งอีกสอันที่เหลือเป็นนมามธรรมดังนั้นะเรื่องขันเนี่ยท่านสอนกับพวกที่ดูดูจิตดูใจนะนั้นดูจิตดูใจเนี่ยตัวที่จะเด่นนะคืออนิจจังอนัตตาดนั้นในเวลาในบทส่วนนัน้นเลยบอกรูปปางอนิจจังใช่ไหมเวตนานิจจสัญญานิจจสังขารานิจจวิญญาณอนิจจแล้วก็รูปปางอนัตตานะโดดขึ้นไปน้นเลย ถ้าดูกายก็จะเห็นทุกนะทุกขะอนัตตาง่ายอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดดูกายไม่ใช่เพื่อเห็นกายจะดูกายเพื่อเห็นไตรลักษณ์ดูใจก็เพื่ออะไรเพื่อเห็นไตรลักษณ์นะเพราเราที่เราดูจริงๆวิปัสสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่การดูกายดูใจหรอกวิปัสสนาที่แท้จริงนะคือการเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเฉะั้นถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะ อย่าง่างคนเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะจิตอยู่กับท้องตลอดเวลาไม่ใช่วิปัสสนาณ์นะเห็นเท้ายกเท้าย่างไม่ใช่วิปัสสนานะนาาาไม่วิปัสสนาเนระาเห็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่เห็นเท้าไม่ใช่เห็นมือไม่ใช่เห็นท้องไม่นะไม่ใช่เห็นลมหายใจนะล้าเห็นไตรลักษณ์ทำอะไรดียิ้มหวาน <c oughs> จำไว้นะต่อไปนเนี้ยทําอะไรไม่ถูกยิ้มไว้ก่อนนะทําไมต้องสอนอย่างนี้ พวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะถ้าเข้าฌานเป็นนะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมาธิเราทาสมาธิฌานนี้คงหวังยากนะเอาสมาธินิดหน่อยพอให้ใจคลายแล้วมีเรียเร่ยวมีแรงกลับมาดูขบุดแล้วละ่นะะทุกวันเนี้ยรอยยิ้มแห้งแรงแล้วเนาะหายากสยามเมืองยิ้มยิ้มนะต้องประกวดยิ้มแล้วเนาะเพราะคนไทยยิ้มไม่เป็นละ ต่ ย, ยิ้มไม่เปลี่ยนยิ้มแห้งแรงน่าสงสารมากเลยเราพอนานะวันหนึ่งเราจะยิ้มออกมาจากข้างในอัศจรรย์ที่สุดเลยโลวงปู่ดูลได้ว่าจิตยิ้มนะจิตม่นจะยิ้มออกมาจากข้างใ น, นเป็นความเบิกบานของจิตที่สัมผัสพันิพนัน์เป็นความเบิกบานอันมหาศาลมันยิ้มออกมาจากข้างในไม่ใช่ยิ้มด้วยปากหรอกยิ้มด้วยใจที่แท้จริงเลย ใจที่เข้าถึงธรรมะจะเข้าถึงธรรมะได้นะดูกายดูใจตามที่เขาเป็นดูใจรักไปเรื่อยจะดูกายดูใจอย่างที่เขาเป็นได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจต้องไม่บังคับกายบังคับใจนะาทางสายกลางไปฝึกเอานะไม่ยากหรอกถ้ายังทำไม่ได้ก็ไปฟังซีดีอีกนะทนทนเอาหน่อย เวลาเรียนวิชาทางโลกเรียนตั้งเป็นสิบสิบปีใช่ไมกว่าจะได้ปริญญาสักใบยัเว้นไปซื้อมานะเดี๋ยวเดียวก็ซื้อไดนะ้ถ้าเรียนจริงจริงเรียนวิศวกรวิศวะกว่าจะรอดปีหนึ่งนะก็แย่แล้วปีหนึ่งก็รีไทายไปตั้งเยอะแล้วสมัยก่อนเพราะนั้นกว่าจะเรียนวิชาทางโลกได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีเรียนปริญญาตรีใช้เวลากี่ปีไม่ใช่สี่ปีต้องเรียนมาตั้งแต่แตปอหนึ่งนะ อยู่ไม่เรียนตอนหนึ่งมาก็ไม่ให้ไปเรียนหรอกปริญญาตรีใช่ไหมเนี่ยกว่าจะได้ปริญญา่ังใบนะเรียนก็เป็นสิบสิบปีใช่ไหมเรียนกรรมฐ า, านก็ต้องทนเอาหน่อยเี่ยเรียนวันสองวันจะเอามักเอาผลเอาผลละไม้ไปก่อนะเ <c oughs> นี่ยเห็นใจที่ใครมยไหตอนที่ขำตอนที่หัวเรา ะ, ะใจคลายรู้สึกถ้าหัวเราะแล้วใจคลายแล้วไม่เห็นนะนั่นคืออาการของเด็กทารก พระเจ้าท่านบอกเลยพิษสหัวเราะอะไรนี่นะไม่มีสติอาการของเด็กทารกพิษสูร้องราทําเพลงนะอาการของคนบ้าแป็นพวกเราก็เป็นพิษสูได้นะไม่ต้องบวชหรอกเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราคอยรู้สึกตัวหัวเราะเราก็รู้ยิ้มเราก็รู้นะเด็กๆเนี่ยมันมีข้อดีที่เด็กๆมันมีใจที่เป็นธรรมชาติะเดี๋ยวมันก็หัวเราะเดี๋ยวมันก็ร้องไห้ไหม น้ำตาเปียกแก้มอยู่ข้อหัวเราะได้ละโกรธแป๊บเดียวโกรธร้อยปียปันดีร้อยชาติชาติสั้นนิดเดียวนะห้านาทีก็ดีกันลนนะเด็กเนี่ยมีใจที่เป็นธรรมชาตินะแต่เด็กไม่มีสติเท่านั้นเองส่วนพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมีสติรู้หมด้วยแต่ไม่มีใจที่เป็นธรรมชาติฉะนั้นเราสร้างใจที่เป็นธรรมชาติอย่างเด็กๆนะย้อนกลับไปนึกถึงใจตอนเด็กๆของเราไม่มีมารยา เด <de <De mhm ี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วเรามีสติเข้าไปเราคอยรู้ทันใจสุขเรารู้ใจทุกข์เรารู้ใจดีเรารู้ใจร้ายเรารู้เราก็จะเห็นในทุกอย่างมันชั่วคราวหรือร่างกายมันวิ่งเด็กมันก็วิ่งทั้งวันเห็นไหมนึกจะวิ่งมันก็วิ่งนะหกล้มบ้างลุกขึ้นมาได้ก็วิ่งต่ออะไรเงี้ยของเราไม่ต้องวิ่งก็ได้เราเดินเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเด็กมันไม่มีสติเท่านั้นเอง พวกเรานักปฏิบัติมกักจะมีสติแต่บังคับกายบังคับใจจนผิดธรรมชาติดนะังนั้นเอาของที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยคืนมานะมาสวมหัวใจเด็กไว้แต่ว่าเพิ่มสติคอยรู้สึกค่อยรู้สึกไปถ้าทําได้อย่างหลวงพ่อบอกนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมักผลจะหนีไปไหนยากอะไรหรอกเป็นฆราวาสก็ทําได้นะอยู่ที่ว่าจะอดทนหรือเปล่าหลวงพ่อเคยเจอลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะอง์หนึ่ง เจ็ดวันพราวานาเจ็ดวันหนะลวงปู่ชมเลยคนหนึ่งพานาเจ็ดเดือนหนะลวงปู่ชมเลยพวกเจ็ดปีเราไม่เห็นมีหลายสิบปีเยังภาวนาไม่ได้หลวงปู่ไม่ชมแล้วหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว <laughs> ดูใจเห็นไหมหลงส่วนใหญ่หลงเมื่อกี้เนี่ยเคยรู้สึกนะไปค่อยทำเอา รู้สึกไหมใจคลายออกรู้สึกไหมผลทุกคนร้อนแล้วจบแล้วกราบนักวิชการท่า น, นพระอาจารย์ครับวันนี้ดีใจครับมีชีวิตรอดอยู่ไปวันหนึ่งที่ได้กราบมาคารวะครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้ทำอย่างสุดซึ้งนะครับขอกราบนักวิชาการมัรณาบุญกับท่านพระอาจารย์ด้วยครับสาธุนะคนนี้ฉลาดนะเอาบุญไว้ก่อน ครับก็ไม่ค่อยได้เจอท่านอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วก็ไปดูไปเจอที่ได้ไปกราบได้เห็นหน้าก็ยังดีครับที่สาราลุงชินละครั้งนี้ครั้งที่สามที่ได้มาก็อายุมากขึ้นนะครับกายใจมันก็เสื่อมโสมลงไปเป็นทุกข์ครับผมปฏิบัติทำมาก็หหปีนะครับ ก็จเจริญธรรมมาตลอดรู้กายรู้ใจรู้ทุกรู้ว่าสภาวะต่างๆที่มันเกิดกับรูปกับนามกับใจกับใจนี่มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ม, มีมีระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติธรรมก็น้อยนักก็อยากจะได้ปฏิบัติให้มากๆเพื่อจะได้น้อมนำเพื่อให้ เข้ากระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้สักชาตินี้ก็จะเป็นบุญนะครับโอ้โหทำได้ก็ดีนะครับตอนนี้ผมก็ปฏิตอนนี้ก็ปฏิบัติธรรมในสภาวะของรู้กายรู้ใจในดูจิตรูปเวทนาจิตธรรมก็น้อมนำทั้งทั้งสังธรรมะนะครับก็จะให้เจริญทางสมถะมีปัสสนานะครับ ออกมาแล้วก็ให้อยู่นิ่งดูกายดยูนิ่งให้รู้นะครับในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อจะไดะ้เมื่อร่างกายที่มันเหนื่อยนะครับในสภาวะที่ต่างๆที่เกิดขึ้นดูเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจ<ม>ก็เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เรารู้ในสภาวะธรรมจริงๆนะครับรก็อยากจะเราดูมันดูคนอื่นนะครับ มันดูคนอื่นไปเรื่อยไม่เกี่ยวอะไรกับเราเหรอกหน้าที่เราเราทําต้นเหตุะส่วนจะบรรลุเมื่ อ, อไหร่เป็นเรื่องของผลไม่เกี่ยวกับเรานะเราทําไม่ได้เราทําเหตุให้มากนะรู้สึกรู้สึกไปครับรไม่กคิดเราไม่คิดนํานะนะครับเราไม่คิดนำํำเราดูจากของจริงที่เกิดสดๆร้อนๆนะครั บ, บ, รนรบในแต่ก่อนนี้เรากับพระตนาไตาเนี่ย เราจะไม่ค่อยเห็นนะผมเห็นช่วงระย่างนี้ก็มีพระพุทธก็เห็นพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าพระธรรมนี่ผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอ๊ะมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยพระสงค์ก็รู้เป็นรูปพระธรรมอยู่แต่ตอนนี้ผมเข้าซึงถึงพระธรรมน้อมนําคือพระธรรมคือแนวทางที่นําไปสู่ทางหลุดพ้นนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วท่านอาจารย์ให้แนะนําผมปล่อยปล่อยลาวสะพานจําได้ไหมครับ ปล่อยเราเราสะพานแล้วให้มาดูจิตดูใจผมก็ปฏิบัติตามก็ดูเป็นระยะระยอก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าชีวิตนี้น้อยนักครับมันสั้นอยากจะปฏิบัติธรรมผมก็ปฏิบัติทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับทั้งทั้งทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาครับก็เจริญธรรมก็ไม่อยากจะอยากจะถามว่าตอนนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยว้ปล่อยเราสะพานแล้วนะครับ เราไม่ได้จับจับมันไปไหนไม่รอดหรอกนะจับต่อไปนี้เราก็เห็นเห็นแมมกายกับใจมันก็แยกกันนะครับขันมันแยกได้แล้วไดูไปแต่ละขันแต่ละขันตอนนี้ก็รู้แล้วนบแยกว่าขันแยกออกจากกายกับใจแล้วครับนั่นแหละทําไปเรื่อยบส่วนจะได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วล่ะทําทําต้นทางให้ถูกอ่ะคือแยกธาตุแยกขันได้แล้วก็ดูธาตุขันทํางานไปครับ ส่วนจะได้ผลเมื่อไหร่เพราะแล้วแต่บุญถากกลับแล้วนะแต่บุญวาสนาเออครับขอบพระคุณครับกลาบหลวงพ่อครับปีที่แล้วมากราบขอกันบ้านไปปีนี้วันนี้เลยเอากันบ้านมาสองเรออามามาฮะไม่รู้ว่าทําที่พยายามทํามาถูกต้องบ้างหรือเปล่าจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยจิตตอนนี้ผิดปกติใช่ไหมครับไม่เป็นธรรมดาครับจิตปกติถึงฐานไหม ไม่ไม่ค่อยอะครับ <นะ S 2> รู้สึกว่าตัวเองแบบย่อหยัอนแล้วเพราะาต้องฝ<า>ึกเยอะมากนะคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปนะใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ค่อยรู้บ่อยๆไม่ห้ามไหลได้นะแต่ไหลเรารู้อย่างตอนนี้ไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมครับมันหนี้ไปคิดเราก็รู้ทั น, นะในสุดถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดเนี่ยใจที่ตั้งมั่นนะคือใจที่มีสมาธิจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจ ดัง น, นทุกวันเราต้องซ้อมทําในรูปแบบนะแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปรู้บ่อยๆแล้วต่อไปสมาธิเราดีอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราทํำกรรมฐ า, านได้ทั้งวันนะะเออเคย<ม>บางบางทีตอนเวลาเวลานั่งอะครับแล้วมันเหมือนกับมันมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นมันก็รู้ว่าอ่ะอันนี้มันเอ๊ะแปลกๆเกิดขึ้นมา เ, ออเรารู้สึกว่าเราชอบ เ, ออเราก็กลัวว่ามันจะติดแต่ว่าก็ยังอยากจะไปดูเหมันต่อทำ<ม>ต่อได้ไหมครับ ถ้ารู้ว่าชอบนะจะไม่ติดนะถ้าชอบแล้วไม่รู้ว่าชอบถึงจะติดเพราะงั้นถ้าหากเรานั่งสมสาธิไปแล้วเกิดสภาวะอะไรสักอย่างใจมันชอบรู้ว่าชอบไม่ติดหรอกพวกที่ติดเนะ่ะเพราะว่าชอบแล้วไม่รู้เช่นใจไปอยู่ในความว่างชอบไม่รู้ว่าติดไม่รู้ว่าชอบก็ติดอยู่เราะัน ไ, ไม่ต้องกลัวติดหรอกนะกบบนครับกลับมารคุณครับถ้าติดล้วก็รู้แหละ หลับนมัสการครับปัจจุบันผมก็ปฏิบัติโดยตอนกลางคืนประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดินยมกบนะครับแล้วก็ตอนเช้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงกลางคืนกับเช้านี้จะรู้สึกตัวเยอะหน่อยช่วงช่วงกลางวันที่ทํางานเนี่ยจะรู้สึกตัวน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่เคยเห็นไตรักว่าอะไรเีอะครับเห็นไหมตัวอะไรเป็นสายหน้า เห็นต really ัวที่มันไปยักหน้ามันไม่ใช่เราหรอกดูมันดูคนอื่นไปเลยใจรักไม่ใช่เรื่องต้องคิดเอานะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเห็นไหมว่าความสุขมันอยู่ช่วคราวความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวใจที่เบิกบานก็อยู่ช่วคราวใจที่เศร้าหมองก็อยู่ชั่วคราวการที่เราเห็นวัตทุยามันช่วคราวนี้ก็เห็นไจรักแล้วการที่เราเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ จะสุขจะทุกข์ก็ดีเราชั่วเราสั่งไม่ได้ก็นี่ก็เห็นอนัตตาก็เห็นไตรลักษณ์แล้วละดูบ่อยๆขอบพระคุณครับอย่าไปบังคับมันนะบังคับมันของคุณเนะอาพาวนาดีขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นรู้สึกไหมนะกำลังเยอะขึ้นดีขลังมรสการหลวงพ่อค่ะคือช่วงที่ผ่านมา น, น, นี่จิกุ้งน้อยลงยังน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่า มันคือครั้งที่แล้วมันไปกอดทุกไวใช่ไหมคะแล้วก็จนกระทั่งจิตมันเริ่มคลี่คลายเองแต่ว่าครั้งเนี้ยมันปล่อยแต่ว่าขนาดที่มันปล่อยเนี้ยมันก็มีความเศร้าที่แบบมันมันเคลื่อนปนอยู่ตลอดเอออย่าไปให้มันครอบเรานะให้เห็นเลยดูเข้าไปตรงๆเลยจิตที่เศร้านะดูไปตรงๆแ๋้วม่ก็แยกออกไปเองอย่าไปกลัวมัน ใชหนุนยองเรานก ล, กลัวมันมันกลัวมันทําไมละ่ะกลัวจนไม่มั่นใจว่าตัวเองป ฏ, ปฏิบัติถูกหรือเปล่ากลัวมันก็ไม่หนีเราเราจะหนีมันก็หนีไม่ได้ใช่อไม่มีทางหนีกันก็ดูมันนะวิธีเวลาใจเศร้าหมองนะอย่าไปกลัวให้รู้ทันแล้วไปเลยว่าใจกํลาลังเศร้ารู้ก็ไปตรงๆอะ่ะดูสิเธอจะเศร้าสักแค่ไหนจะนานสักแค่ไหนไม่ได้ดูให้หายนะ ส่วนมากว่าจะมีโมโหไปด้วยเออให้รู้ว่าโมโหให้รู้ทันใจใจไม่เป็นกลางค่ะถ้หัดรู้อย่างนั้นแหละตูเข้าไปตรงๆนะไม่หนีเป็นเพราะมันยอมรับความจริงนี่ได้ไม่ยอมรับไม่ได้ก็ทูกต่อไปยุทิธรรมมากเลยถ้ายอมรับความจริงได้นะก็ไม่ทุกละมันเริ่มเริ่มในว่าในโลกเนี้ย คนที่เขามีความทุกข์นะเพราะเขายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เช่นแก่แล้วยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมเจ็ บ, ขยยบไข้ยอมรับไม่ได้ทุกข์รัดรากจากคนที่เรารักยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ถ้ายอมรับได้นะทุกอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกอุปทานมันเยอะมากนะห้ามมันไม่ได้แล้วโทสะก็เยอะมากด้วยนะไปดูโทสะไว้นะ ให้คนเห็นบ้างเราคอยดูโทสะไว้กับพระพุทค์ค่ะเศร้าหมองก็เป็นโทสะไม่ชอบก็เป็นโทสะเนี่ยตระกูลหลักเลยอ่าต่อไปว่อาฟังไม่ออกอ่ะนุ้ยความทุกเรื่องเห็นนิมิตติดมาอยู่สามปีแล้วค่ะทุกข์เพรเห็นนิมิตค่ะไปเห็นเมาทําไมล่ะมีหัากเห็น อยู่เป็นนั่งสมาธิอย่างนั้นสิอยู่กับโลกธรรมดาเนี่ยรู้สึกตัวไหมเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นมาเดีย๋ยวสมาธิก็าหายไปถ้าใจกังวลให้รู้ว่าใจกังวลนะเอให้รู้ทันใจของเราไปหายใจแรงๆทีหนึ่งเออนีให้รู้สึกตัวให้ชัดขึ้นนิมมิตไม่เอาหรอกไม่เอาทุกข์ค่ะนิมิตมันหลอกสนใจมัน <c oughs> ไม่แน่นะบางคนมีนิมิตก็มีความสุข ธมเนีกรรมของเราแหละมีนิมิตเราทุกอยู่กับปัจจุบันนิมิตไม่ใช่ของจริงอยู่กับของจริงของจริงคือร่างกายของจริงคือจิตใจคือความรู้สึกของเราเนี่ะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองใจกังวลรู้ว่ากังวลใจเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองนี่เรียกว่าอยู่กับความจริงถ้าอยู่กับความจริงเราก็ไม่หลงไปอยู่ในโลกของนิมิต ไปอยู่กันนี้ไม่นด้เพราะว่ามันลืมกายลืมใจไปลือความจริงก็งไปอยู่กับของไม่จริงพยายามอยู่กับของจริงนะรู้สึกในร่างกายอย่าใจลอยอย่ารู้สึกไปมีความรู้สึกที่เข้มข้นหน่อยอย่าให้ใจเลื่อนลอยเออเนี่ยขยับปากยังไงก็รู้เห็นตัวนี้ขยับไป ร, รู้สบาสบายแล้วถ้ากังวลให้รู้ว่ากังวลเรื่องนี้ไม่ตออยู่ไม่ได้หรอก คือหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกคือตอนเช้านั่งทําสมาธินะครับจะเปิดสีดีหลวงพ่อฟังแล้วก็หน้าต่างจะมีเสียงนกร้องด้วยก็จะฟังเสียงนกไปด้วยเปิดสวดีฟังตอนสวีหลวงพ่อไปด้วยอืมีอยู่วันนึงสังเกตเห็นว่าจิตที่ไปฟังเสียงนกเนะมันคงสภาพอยู่ไปได้ พอฟังสักพักหนึ่งมต้องกลับมาฟังซีดวงพ่อืแล้วจิตที่ฟังซีดวงพ่อสักพักหนึ่งก็โคงสุภาพอยู่ไม่ได้กลับมาฟังเสียงนกอนั่นแหละดีนักเตือทุกเห็นทุกใช่ไหมครับใช่ใชะดีแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นเองเห็นครับมันจะไปฟังนกมันจะไปฟังซีดีเราเลือกไม่ได้หรอกครับตัวนั้นเห็นอนัตตาเห็นไหมฟังนกก็ชั่วคราวฟังซีดีก็ชั่วคราวนี่ก็ไม่เทียงกลับนะ่ดูอย่างนี้แหละใช้ได้ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะก็แบบเดียวกันนี้แหละในเรื่องที่สองนะครับปก ด, ดิเวลาจิตรวมเนี่ยจะมืดเนี่ยกายหายไปเลยมยีวันหนึ่งจิตรวมแล้วมันมันเกิดแสงสว่างจ้าข้านมาเออมันมีดวงอาทิตย์ส่องอยู่ข้างหน้าอื่อเชามันเป็นเป็นห่ออะไระสมารที่เราดีขึ้นเลย <laughs> มืดตืดต้อไปได้เรื่องเล้ว <laughs> แสงนี้ใช่หลวงว่าเคยบอกว่าถ้าเราเข้าไปเราจะเห็น <laughs> เห็นอะไรเห็นอะไรห่า อย่าไปตามมันไปน ะ, ะมันตามไปมันพาไปเที่ยวได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าจิตมันจะอยู่ห่างๆไม่เข้าไปเอเออย่าไปคลุกกับมันนะถ้าตรงเห็นแสงแล้วอยากไปดูสวรรค์นนะส่งแสงไปเหมือนฉายสปอตไลท์ไปนะอยากไปดูอะไรก็ไปจิตออกนอกเสียเวลาแค่รับย้อนมาที่จิตสะนิมิตนั่นแหละก็ไม่มีความหมายอะไรเรื่องที่ยนเดี๋ยวนั่งนั่ ง, น, งนั่งสมาธินีน่จะเห็นกลมๆนะ คนหมุนติ้วติอืตินั่นคืออะไรอย่างเงี้ยวะหรอหมอยู่ในหน้าอกไหมกับเออมันอยู่กลางหน้าอก้วมันหมุนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เวี่ยงออกมาเป็นสุขมั่งเวี่ยงออกมาเป็นทุกข์บ้างเวี่ยงดีเวี่ยงชั่วออกมาบ้างมันหมุนอยู่อย่างนั้นหละห้ามมันไม่ได้นะแล้วเวลาที่เห็นไอ้ตัวนี้หมุนอยู่ติ้วติติอย่าเข้าไปคลุกกับมันดูห่างหางแล้วถ้าต้องการพักผ่อนก็ทําความสงบแต่ดูดูมันเพื่อพักผ่อนได้อย่าถล่มลงไปจับมันนะ ถ้าถลำจำมันวุ่นวายเสียเวลานะครับง ถ, <4 S 2> ถ้าจะพักก็อพักกับสมาธิอย่าไปพักกับไอ้ตัวนี้อ๋อครับครับเรื่องที่สี่นะเดี๋ยวนี้นี่สมัยก่อนแต่ก่อนก่อนนี่มีสติ น, ตนี่จะมีสติเฉยเฉยนี่ยไม่มีประเดิมด้วยเดือรปัญญาแต่ปีนี้นี่พอมีสติปุบ๊บมันจะมองเลฟเฟชชั่นเลยว่าที่หลงไปครั้งนี้เนี่ยเป็นอ น, นัตตามันทาเองอืม นี้ถูกต้องไหมครับเราอย่าไปคิดเอานะไม่ได้คิดอ่ะเออไม่คิดอ่ะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแต่ถ้าเราไปค่อยคิดอันนี้เรื่องอนิจจังนี่เรียกทุกขังอนิจฉิตเพราะว่าของจริงไม่มีคําพูดนะมันเป็นแค่ความรู้สึกไม่มีคําพูดหรอกว่าอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นความเข้าใจเข้าใจขึ้นมาเองแล้วว่ามันีีอนัตตาถ้าเข้าใจจได้นะแต่อย่าไปคิดต่อนะเข้าใจแล้วก็จบตรงนั้นแหะ คิดต่อแล้วก็บรรยายต่อไปเรื่อยๆแล้ ว, ย, ว, ย, ว ย, ย่างั้นฝุกสั้นนะต้องระวังอย่างหนึ่งเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยบางทีปัญญาล้ําไปครับ <นะ S 2> ต้อทําความสงบกับเข้ามาเวลาทําวิปัสสนาแล้วเนี่ยถ้าสมาธิไม่พอนะจิตไม่ถึงฐานเนี่ยวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดต้องเกิดทุกคนแหละของคุณระวังวิปัสสนูก็คือมีปัญญามากไป น, นั้นเดี๋ยวปัญญามันจะลั้มไป มไม่ค้นความากนะดูลงปัจจุบันไปแล้วดูเปสัช่วงนึงก็หยุดพักทําความสงบเข้ามาให้ใจได้พักผ่อนแล้วก็ออกมารู้ใหม่นะอย่าเดินปัญญารวดไปเลยนะมันจะล้าไปขอบคุณมากครับธรรสการครับหลวงพ่อครับคือว่าผมสงสัยว่าการเห็นการเกิดดับเนี่ยครับเราเห็นจริงๆหรือว่าเราแค่ไปรู้ว่าขันนี้เกิดขึ้นขันนี้ดับไปครับเราเห็นด้วยความรู้สึกนะ รู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตานะอเห็นด้วยความรู้สึกครับเข้าใจมาตลอดว่ามันจะเป็นอนิเมชันนะครับโอ้ไม่ไม่ <c oughs> อย่าไปดูอย่างนั้นนะเอาตาไปดูไม่ได้ครับถ้าเร า, เาตาไปดูสภาว่าเนี่ยบางทีปวดตาเลยครับปวดตึงตรงนี้เลยรู้ด้วยความรู้สึกก็เห็นไตรลักษก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วที่ผมเคยได้ยินว่าเหมือนกับปางวางองค์เนี่ยครับแบบว่าท่านเห็นแบบ เห็นอนิจจังคือเห็นโบตร์โบตรก็ละลายเห็นกำแพงกำแพงก็ละลายเป็นเรื่องของสมาธิไ ม, ไม่ใช่เห็นใจรักไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยมีนะองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนี่แหละท่านได้ยินว่าทุกอย่างเป็นสุญญตานท่านก็ไปนั่งสมาธิอยู่ริมแม่น้ําโขงนั่งนั่งนะก็ถอดจิตลอยขึ้นมาอยู่เหนือแม่น้ำโขงหันมามองเมืองอุดรนะมองเมืองอุดรพุ๊บเมืองอุดร ล, ละลายหายไปหมดเลย หันไปมองเวียงจันทรเวียงจันก็หายไปหมดเลยมองโลกาธาตุโลกาธาตุว่างเปล่าหมดเลยเนี่ยท่านก็คิดว่าโอ้างงาบรลุพระอรหันต์แล้วนะทุกอย่างเป็นสุญญตาหมดแล้วพอออกจากสมาธิกลับมหาโลวงปูดุลนะเ ด, ด, ด, ด, ด, ดะนะนินลวงปูดุลแสวนะว่านิพพานไหลบนแม่น้ <laughs> นําขงเป็นเรื่องของสมาธิคร<อ>ับครับขอกันบ้านด้วยครับขอครับใจยังฟุ้งอยู่นะคร<อ>ับถ้าใจย่างฟุง้งเราก็ต้องมีเครื่องอยู่ อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธก็ได้แต่อยู่กับลมหมายถึงว่าเห็นร่างกายหายใจสบายๆอย่างที่หลวงพ่อสอนนะอย่าไปจับอยู่ที่ตัวลมใจอยเครียดนะต้องมีเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆ ก, กําลังของสติของสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นตอนนี้ยังไม่พอเมื่อก่อนไม่เชื่อหลวงพ่อครับไปนั่งอัดลมหายใจซะแข็งเฟ๊กเลยครบโอเวนก ร, รมัม <laughs> แล้วออกมาก็เป็นคนแบบ มันจะแข็งไปหมดเลยแล้วก<อ>เส ร, เ ร, ร<ช>็จปุบพ่อบอกว่าให้พูดโทรไปอะไรไปสบายๆอย่างเงี้ยครับถึงค่อยยิ้มได้บ้างครับม่ั้นมันก่อนนะแข็งกระเดกกเดกเลยเวนกลับเล <laughs> ขอบคุณครับหลวพ่อทำซาบะี่อยู่ตั้งยี่สิบสองปีเลยโอ้มีตีจริงๆเ้าง่ายๆเอายิ้มหวานเมื่อกี้ลืมตัวเองไปหมดแล้วยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มเอาสมควรเอาคนต่อไป กรับหลวงพ่อค่ะอืมโยมไม่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อมาเกือบสองปีแล้วอ่ะค่ะเครียดไหมเครียดไหมโอเครียดแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการไปได้เรื่อยๆกระดึ๊บกระดื๊บมาได้ค่ะแต่เป็นหลกฐานกระดึกระดึ๊บโยมประเมินตัวเองอะค่ะมีความรู้สึกว่าก็มีพัฒนาการก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ยังดี แต่ว่าเหมือนจะอยู่กับโลกไม่ได้แล้วอ่ะเลอะถ้างั้นไม่พัฒนาการแล้วละ่ะถ้าพัฒนาการแล้วอยู่กับโลกไม่ได้นะพาะ<ช>นาไม่ถูกหรอกก็คิดเสมออ่ะว่าหลวงพ่อก็บอกว่ามันต้องกลมกลืนกับโลกได้อยู่กับโลกได้อย่างไม่มีอะไรคือจริงๆบบเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแล้วเราอยู่กับกายกับใจถ้าเรายังมีธุระต้องอยู่กับโลกใช่ไหมร่างกายกใจมันอยู่กับโลกอะเราไม่เห็นต้องหนีตรงไหนเลย แต่ถ้าเราจะชอบตรงนี้จะรักตรงนี้นะไม่ใช่หรอกต้องภาวนาไม่ถูกหรอกถ้าพาวนาถูกนะไม่เป็นปฏิปักิกับสิ่งแวดล้อมหรอกอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องขอให้หลวงพ่อแนะนำให้รู้ทันไปนะใจยังมีแต่โทสะแทบกนะโทสะแทรกบ่อยให้รู้ทันว่ามีโทสะไปแล้วให้เห็นเลยเราห้ามมันไม่ได้ ใจจะเศร้าหมองใจจะหงุดหงิดนะอะไรเนี่ยห้ามมันไม่ได้ดูอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปดูอย่างนั้นถอยขึ้นมาอย่ยงนั้นจับเข้าไปที่ลมแล้วไม่ได้นะรู้สึกรู้สึกแว้อย่าให้ใจถล่มเข้าไปจับอะไรสักอย่างเมื่อกี้นี่ไปที่ลมแรงไปใช่ไหมคะเออไม่ใช่ไปที่ลมแรงไปไปที่ลมนั่นแหละไม่ถูกเลยไปชนิดเดียวก็ไม่ถูกแล้วแต่มันไปเองนี่คะหลวงพ่ อ, อน่นแหล ม, ม, มันใช้ไม่ได้ อย่าเสียดายนะมันใช้ไม่ได้ให้รู้ทันว่าจิตไหลไปที่ลมดีกว่าพาจิตไหลไปอยู่กับลมแล้วสบายใจเอาลมเป็นที่พึ่งหรอไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราต้องเอาพุโทโธเป็นที่พึ่งนะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเรานี่แหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลมหายใจเป็นที่มาลอดจิตให้เคลื่อนไปเท่านั้นเองดังนั้นถ้าจิตเราเคลื่อนไปที่ลมให้รู้ทันะเห็นร่างกายหายใจ เปียนใหม่เลยนะต่อไป น, นี้เห็นร่างกายหายใจนะไม่ไม่ไปจ้องใส่ลมนะดูทั้งตัวเนี่ยมันหายใจใจมันจะกว้างออกมาใจมันจะคลายออกนะแล้วไอ้ที่เครียดเครที่จะลดลงไปแล้วไปแล้วเรียกตีเลยเธ <laughs> อแว บ, บเดียวไปที่ลงอีกแล้วถ้าหลวงพ่อตีจะรู้สึกว่ามีบุญ น, นะ <laughs> หลวงพ่อก็บาปส <laughs> <laughs> ไม่เอาอย่าให้ใจหลายไปอยู่กับลม เ อ, ออามันก็หนีเข้าหาลมลูกเดียวนะคือเวลาถอนหายใจนะมันแังก์อ่ะมันก็จะพุ่งเข้าไปหาลมเลยเอย่อะค่ะมันเป็นสภาวะของการหนีโลกก็คือสภาวะที่หนีทุกไม่อยากรู้โลกไม่อยากรู้ทุกนะไปอยู่กับลมไม่ต้องรู้โลกอะไรแะใช้ไม่ได้นะนานไปจะยิ่งเป็นถดถอยไปเรื่อยๆเหรอคะเออไม่ดีพพวกที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์อ่ะหนีโลกอ่ะอยู่กับโลกไม่ได้ไม่ดีนะ คือคือมันมีแต่ภาษาแล้วมันรู้สึกว่ามันทุกข์แล้วมันไม่ชอบด้วยป่ะฮะแล้วมันก็เลยเหมือนจะหนีไปอ่ะต้องสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีทุกข์นะท่านสอนให้รู้ทุกข์ไม่อย่างนี้นจนีไปไอ้อก็หนีไปหาลมพอหลุดออกมาก็โมโหเลยนะ <laughs> <laughs> ไม่เอานะอ่าต่อไป หลวงพ่อแนะนําอะไรอีกนิดนะรู้สึกเห็นยังหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าอยู่อย่างนี้นะอย่าให้เข้าไปข้างใน <c oughs> รู้สึกว่าเวลาจะถอนหายใจแล้วมันจะเข้าไปทุกทีมันทุกจะหนีใจกล้ากล้าไว้อ้าต่อไปขอบคุณข้ามัมสการค่ะหลวงพ่อเดิมเคยคิดว่าตัวองภาวนาดีอืม <c oughs> แต่ตอนนี้มันทุกแล้วก็รู้เลยว่ามุมที่เป็นรู้อะไรนะรู้รู้มุมของอากุศล<อ>ใจหดหูเศ้าหมองทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไปจมอยู่กับตรงนั้นเพราะว่าจิตมันไม่เป็นกลางมันไม่ตั้งมั่นมันไม่มีกำลังเราจะฝึกมานะแล้วก็ต้องทดสอบตอนนี้กำลังผ่านการทดสอบมอะว่าเรายัางฝึกไม่พอต้องฝึกอีก <Okay. S 2> ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะ <Okay. S 2> สัตว์โลกน้ำตาหนองหน้าเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราเราก็ต้องจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไป <Okay. S 2> ถ้าเราอดทนนะค่อยรู้ค่อยดูของเราไปด้วยสังเกตดูความทุ ก, กข์กระจายกควรละอันกันค่อยๆแยกไป <Okay. S 2> ความทุกข์มันตามหลังความคิดมาแต่เวลาใจมันจะไปคิดแล้วก็เกิดทุกขนะ์เราจะไปห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้ใจมันคิดได้เอง เพราะฉั้นถ้ามันคิดแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ไปความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งอย่าไปเกลียดมันอย่าไปปฏิเสธความทุกข์ยิ่งปฏิเสธยิ่งทุกข์ยิ่งกลัวยิ่งทุกข์อยู่กับมันให้ได้มันยอมรับไม่ได้อะค่ะหลวงพ่ อ, อยอมรับไม่ได้ต้องทุกไปก่อนนี่เป็นความยุติธรรมนะคยุติธรรมอย่างแท้จริงเลยที่เรายองยอมรับสภาวะไม่ได้ก็ต้องทุกข์ แล้วไม่ใช่การทำใจให้ยอมรับได้ถ้าทำใจให้ยอมรับได้ก็ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นความจริงของทุกจนยอมรับได้ไม่ได้ทำใจให้รับได้แต่เราดูไปเรื่อยเลยเห็นไหมว่าทุกอย่างชั่วคราว <Okay. S 1> ไ, มไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราว <Okay. S 1> เวลาที่ทุกข์มากๆนะไม่สามารถทาวิปัสสนาได้ให้ท่องคาถาไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ท่องไว้ท่องไว้นะเราจะมีกําลังใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าความทุกข์แค่ไหนนะมันต้องผ่านนะอย่างบางคนเป็นมะเร็งนะเป็นตรวจร่างกายเป็นมะเร็งแล้วขั้นสุดท้ายแล้วท่องไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไาาไนนะนอาจจน ะ, ะอยู่อีกเดือนหนึ่งผ่านไปพร้อมกันไม่มีใครแพ้มะเร็งนะเสมอกันค่ะเอย่าไปกลัวคก็ประคับประคองตัวเองมาด้วยการสวดมนต์ทำทานแล้วก็ฟังธรรมมันก็ยังสอนมัน สอนมันนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคไม่ไม่มีหรอกความทุกข์ถาวค่ะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะขอหลวงพ่อเมตตายามที่เราต้องรับรับความทุกข์รับวิบากกรรมเนี่ยค่ะเราควรจะภาวนา ย, ยัางไงที่จะประคับประคองตัวเองให้ผ่านไปได้อะคะ่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ก็ได้น ะ, ะนึกถึงครูบาอาจารย์ไว้ก็ได้แต่ละท่านแต่ละท่าน่กว่าจะพ้นทุกข์ได้นะท่านก็ทุกข์สาหัสมาแล้ว แต่เดิมท่านก็มีกิเลสท่านก็มีความทุกข์เหมือนเราเหมือนกันแต่ท่านอดทนนะท่านต่อสู้ท่านก็พ้นไปได้เราจะเอาอย่างท่านค่คิดอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงความตายนะคิดถึงความตายเดี๋ยวค่าตัวตายไปค่ะงพ่อเคยให้กันบ้านว่าให้หนูเนี่ยพยายามดูกายไว้อย่าทิ้งกายแต่เวลาตอนมันไม่สบายอะคะ่ะมันก็ดูเข้าไปไม่ได้ ม, มันก็ได้แต่สวดมน ทําอะไรไม่ได้นะก็สวดมนต์ไว้ได้สมถะที่หลวงพ่อสอนหลักนะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไว้สวดมนต์เรื่อยๆไม่ขาดทุนหรอกขอบคุณค่นนะนามัสการทราบหลวงพ่อหลวงพ่อนะขยันสวดมนตนะ์นะสวดมนต์วันนึงไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เลยกราบนมัสการครับหลวงพ่อใ ห, ให้ผมดูโทสะผมก็ดูมาตลอด เราเห็นบ้างไหมเห็นครับเอน้อยลงไหมน้อยลงครับเอตอนเนี้มันครอบเรายากขึ้นครับสั้นลงดีสั้นก็มีความสุขมากขึ้นเลยครับแล้วมันก็ไปเห็นร่างกายเนี่ยมันทุกข์มากกับทุกข์น้อยเออแล้วเวลาพอมันทุกข์น้อยๆเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่ามันอุเบกขาหรือผมชินไปเองให้รู้ว่าสงสัยครับมันก็หายเรู้ไปเฉย เราไม่ต้องการความฉลาดรอบรู้อะไรนะรเราต้องการแค่ให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดั บ, บต้องการแค่นี้เองแล้วยังอยู่ในร่องในลอยอยู่ยใช่ไหมครับดีกว่าเก่าอีกขอบคุณครับเ <c oughs> จบละดีอย่างไลที่นี่ง่ายง่ายอัศพร น, นะอย่าทาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกปติอิชิต ah ังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุส um ัพเพปุเรนตุสังกปาจันท um ูปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีต so ิโยวิวัตฉัน so ตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตว ok ันตรายโยสุขีที่คาโยโกภะวะอภิวาฒนสีลิสนิจังวุฒาปจายโน จะตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพะลงังหลวงพ่ออนุมโมทนากับผู้จัดเลยนะเวลานิมนต์หลวงพ่อไปเทศน์เนี่ยจะเหนื่อยยากตรากตรำมากบางที่ลาบากมากเลยคนมันจะเยอะหน่อยเวลาจัดบ่อยๆคงไม่ลําบากมากนะลําบากทีนี้หน่อยๆไม่เป็นไร <laughs> โมทนานะโมทนากับ พกตากล้องทั้งหล่ไปไหนก็ยกกล้องไปตั้งอุตสาห์ทำวิดีโอทำอะไรให้คนที่ไม่มีโอกาสมาฟังขออนุมโมทนาด้วย